ก็การฟังธรรมทุกวันนี่แหละครับนะครับไม่ไม่ไม่สูญเปล่าเลยอะ่ะจะเป็นประตูอ่ะเป็น ป, นประตูปัชญาปัจจัยทำให้เราเนี่ยตริกเป็นกุศลได้ง่ายขึ้นอุบายมีอีกเยอะแยะไว้วันหลังท่านเอามาแสดงเรื่องเรื่องเอ่อการที่ทำจิตให้เป็นมหากุศลโดยโดยอนุสติคืออัตกถฐานนั้นไม่ใช่เป็นอ่า เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่งขึ้นที่จริงแล้วอัตถกถาก็คือปกินกะเทสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรงตรัสไว้แล้วอัตถกถาเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นสู่สั ง, สงคีตเข้าเป็นพระบาลีแต่พอกลุ่มพระอ น, นุ์เนี่ยสังายานาพระพระไตรปิฎกเสร็จก็สังายนาอัตถกถาต่อแลอัตถกถาก็มีการทรงจำมาเรื่อย แล้วก็ค่อยๆเพิ่มภาษิตของพระเถระ ท, ที่ท่านเชื่อมโยงมาให้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอัตถกถาก็คือก็คือปกินณกะเทศนะของพระผู้มีพระภาคนั่นเองที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สี่บ้าเล่มใช้เรียกว่าแบบนั้นนะพนะุทธพจน์ที่ไม่ได้เข้าสี่สิบห้าเล่มที่จริงพระพุทธพจน์ที่ไม่ได้เข้าสี่สิบห้าเล่ม น, นี่ ม, มีนะนะบางเรื่องนี่ ม, มีบอกว่าท่านยกขึ้นสู่สังคีติสูตรแต่อย่างเช่นกรณีในบ้านปาตาลิคาม พระ อ, องค์แสดงธรรมทั้งคืนน่ยคิดดูว่าพระพุทธเจ้าพูดทั้งคืนเนี่ยจะเป็นธรรมะเท่าไหร่ดิมันไม่ได้เอามาทั้งหมดจะคัดเอามาเป็นบางส่วนส่วนไหนที่ซ้ำบ้างอะไรบ้างก็ไม่เอามานะส่วนไหนที่ที่ที่อื่นมันชัดเจนอยู่แล้วก็ก็ไม่เอามาเป็นต้นเพราะฉะนั้นอัตถกถาก็คือปกินะกะเทสนาข้อความในอย่างสัตธรรมะสัธรรมะปกาเสนีนี่ยนะหรือว่าปปัญจสูทนีอัตถกถา มัชชิมนิกายบอกเลยว่าอัตถกถาก็คือปกินนกะเทศนาปกินนกะเทศนาก็หมายความว่าเป็นเทศนาที่กระจัดกระจายอยู่เ่ล้วก็มารวบรวมขึ้นอ่าอย่างเช่นแบบภิกษุไม่ได้ถามเป็นสูตรตรงๆเลยแต่เป็นการถามแบบพูดคุยกันทั่วไปอย่างเงี้ยโดยที่ที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่เป็นเรียกว่าไม่ได้ขึ้นสู่แบบฟอร์มอ่ะ เป็นคําพูดที่เบ็ดตะเล็ดปกิณกะทั่วไปซึ่งอธิบายบางหมวดนะหมวดนี้นี้พระสมัยก่อนท่านก็จะจําได้ว่าพุทธพจน์บทนี้เนี่ยพระองค์แสดงไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะหรืออาศัยพุทธพจน์ที่อื่นๆเนี่ยแนวการอธิบายที่อื่นๆเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างไรอย่างเช่นในคาถาธรรมบทใช่ไหมทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้านะถ้าหากว่าเราไมา่ได้ยินว่าอัตตกถาอธิบายว่านะคำว่าจิต จิตเนี่ยเป็นประธานของเจตสิกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนามขันสามถามว่านี้เป็นความเข้าใจของท่านเองใช่ไหมบอกไม่ใช่นะเพราะเนื้อหาไม่รู้กี่คำเพียพระพุทธพจน์ไม่รู้กี่แห่งอธิบายว่าจิตเป็นประธานของของนามขันสามมีตั้งร้ายแห่งมากแต่ทีนี้คือพระ อ, องค์เนี่ยกล่าวไว้อีกที่หนึ่งพอมาอธิบายเรื่องนี้ก็เลยเรียกว่าอัฏฐะของเรื่องนี้อัฏฐะเนี่ยแปลว่าเนื้อความ กถาแปล ว, ว่าคำพูดคำพูดที่ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์เรียกอัตถกถาส่วนอาจารย์นี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะอัตถกถากับอาจารย์ก็เลยเรียกว่าอาตัตถกถาอาจารย์นั้นอัตถกถาอาจารย์ก็คือหมายถึงตัวอาจารย์แต่คําว่าอัตถกถาเ น, นี่ยไม่ได้หมายถึงคําพูดของอาจารย์อย่างเดียวแล้วคําพูดว่าพยัญชนะเชื่อไม่ได้อัตถะเชื่อได้นี่ว่าอันพยัญชนะพึ่งไม่ได้แต่อัตถะพึ่งได้เนี่ยหมายความว่าไงครับ ท่านลองวิจารณ์นีครับคือถ้าคำคำตรงนี้เนี่ยต้องดูว่ า, าบางในในเมือม่อเมื่อกี้นี่ก็อ่านมาปัด จ, จับตะสูตรหรืออะไรเนี่ยในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาถึงกล่าวถึงว่าคำพูดเนี่ยนะอย่าเอาพยัญชนะเป็นประมาณมากนักเนี่ยถ้าสำนวนพระสูตรเนี่ยท่านว่าว่าคล้ายๆแบบนี้นะเช่นสมุดโทเนี่ยนะสมุดดสมุดาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับชื่อของทะเลถ้าสมุดสมุด สมุท t h เนี่ยนะคือสะกดด้วยทอทหารหรือทอทงเนี่ยถ้าสมุดด้วยทสะกดด้วยทอยทอหารเนี่ยมันหมายถึงทะเลศัพท์นี้แต่ถ้าสะกดด้วยทอทงมันก็ออกเสียงหนักไปความหมายก็พยัญชนะเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ว่าอัฏฐะเนี่ยหมายถึงทะเลก็เรื่องเล่า ว, ว่าพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านสอนกรรมฐานท่านพูดถึงคําว่าทะเลทีนี้เสียงของท่านหนักไปนิดนึงนะ ทีนี้พระกลุ่มก็บอกว่ า, าพระคุณท่านที่ว่าเนี่ยท่าหรือท่ากันแน่นะมันหนักหรือมันเบากันเนี่ยก็บอกว่าท่านก็เลยบอกอ ไ, มไม่สอนนะเพราว่าพยัญชนะแค่นี้ก็ข้ า, ขาก็สนใจพยัญชนะจนเกินไปจนไม่เพ่งเนื้อหาเลยเ อ, อันนี้เป็นลักษณะของที่ว่าใส่ใจแต่ในลักษณะของพยัญชนะจนจนล่วงเลยอัฐะแต่ถ้าเป็นพระวินัยเนี่ยไม่ได้พยัญชนะต้องเป๊ะ ถ้าอย่างเช่นออกเสียงผิดเนี่ยวิบัติเลยบวชทึไม่เป็นอันบวชแต่ถ้าออกเสียงผิดอย่างเงี้ยนะถ้าพระวินัยเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้าพระสูตรเนี่ยจะเหมือนกับคำเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคือเพียงแต่ให้เข้าใจว่าท่านกำลังพูดถึงอะไรอยู่คือโดยเนื้อหารวมๆเนี่ยนะจะต้องนึกออกว่าหมายถึงอะไรอยู่เพราะว่าในคำนั้นะ่ะไม่ได้มีอยู่เฉพาะตรงนั้นที่เดียวมีอยู่อีกตั้งหลายแห่ง นั้นค่ะถ้าว่าพยัญชนะตรงนั้นเราดูว่าเออดูเหมือนใช้ไม่ได้แต่เราต้องดูว่าคํานี้เนี่ยสัมพันธ์กับที่ไหนบ้างอาก็เหมือนกับผู้ที่ศึกษานั้นถ้าศึกษาเข้าใจต้องบอกที่เข้าได้เข้าได้กับคํำพีไหนถ้าพึ่งไม่ได้เนี่ยพึ่งไม่ได้เพราะมันขัดกับคํำพีไหนมันต้องมาแยกเอาเองแต่ไม่ใช่ว่าคือมันมันพึ่งไม่ได้เพราะว่าฉันไม่เห็นด้วย ไอย้ยางงี้อยังงี้ไ ม, ไม่ไม่ถือเป็นประมาณเลยคำคำพูดเหล่านี้ไม่ไม่เอาเป็นประมาณเพราะเป็นคําพูดของอใครก็พูดได้ถ้าถ้าคำลักษณะนี้แต่ถ้าพูดลักษณะแบบผู้ศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายได้ว่าตรงนี้เนี่ยพึ่งไม่ได้เพราะอะไรเะั้นถ้าพึ่งไม่ได้ทั้งหมดก็พระไตรดกใช้ไม่ได้เลยมันก็ต้องบัญญัติอัฏฐพยัญชนะขึ้นบัญญัติพยัญชนะขึ้นมาใหม่เลยแบบฟอร์มเก่าต้องเอาออกไปให้หมดถ้าพยัญชนะพึ่งไม่ได้จริงๆ ทั้งพยัญชนะและอัฐาผู้ใดอ่านพระไตรปิฎกก็จะเข้าใจทันทีว่าทั้งพยัญชนะและอัถานี่มีความสําคัญเจนพานเราเห็นว่าก่อนที่จะอธิบายอัถ า, าของของศัพท์นั้นนั้นเนี่ยท่านได้อธิบายพยัญชนะมาก่อนเจนพานถ้าเป็นบาลีสมัยโบราณการศึกษาไวยากรณ์แบบโบราณ น, นั้นนะ่ะท่านจะขึ้นต้นด้วยสูตรว่าอัโทโธอัคราสัญญาโตเนื้อความอัโทโธเนี่ยเป็นเนื้อความอัคราสัญญาโตเนี่ย พึงรู้ได้ด้วยอักขระพึงรู้ได้ด้วยอักษร น, นนเพรา ะ, ะนั้นมีความสําคัญมากถ้าหากว่าอักษรคลาดเคลื่อนไปแป๊บเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างนั้นไหมแต่ในขณะเดียวกันท่านบอกว่าในอักษรทั้งหมดต้องเป็นชี้นวัจะนะยุตตังหิสมควรแก่พุทธพจน์ในที่อื่นๆด้วยถ้าเจอศัพท์ตรงนี้ก็ไปเล็งในที่อื่นๆด้วยเพระพระ อ, องค์ไม่ได้พูดคําเดียวไว้แห่งเดียวนนเนื้อหายอย่างเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยนะเราไปอ่านเติดใจคําเนี่ย แต่เรื่องอริยศาสตร์เนี่ยมีไว้กี่แห่งในพระดายพิดกเนี่ยในสัจจะสังยุทธก์ก็เยอะไปหมดอย่างเงี้ยหรือว่าในสัจจะวิพัง์หรือว่าในสติปัฏฐานสูตรอริยศาสตร์บพัพพะอย่างเงีฉะั้นพระสูตรที่เกี่ยวกับสัจจะมีทั้งเยอะเราก็ไปค้นทั่วๆวไปก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือแล้วมันตก อ, ก อ, อักษรนะนะถ้าเป็นสมนวนไทยๆเราก็คืออักษรตกหล่นบ้างพิมพ์ไปแล้วสะอุไม่มีสมัยก่อนเรียงพิมพ์มันไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหม วาเรียงพิมพแล้วบางทีสะอุสะอาสะอีสะเ อ, ะอมันหายไปบ้างอะไรไปบ้างก็ต้องอ่านและทําความเข้าใจเออถ้าพยันชนะตรงนั้นเนี่ยพึ่งไม่ได้อย่างเงี้ความเนี่ยตกสระอาไปเอาหนึ่งแล้ควคูมอย่างเงี้ยอันนี้พยันชนะนี้พึ่งไม่ได้แต่อัฏฐะตรงนั้นเนี่ยพึ่ง<ม>ได้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าพึ่งไม่ได้ทั้งหมดนี่ก็หน้ามืดเหมือนกันนะเรื่องใหญ่โตเลยคับนี้เรื่องผาเพราะว่าพยัญชนะเนี่ยบาง บางศัพท์มีความหมายตั้ง4ี่ห้าความหมา ย, ชายเช่นผูตะนี่นะฮะมีความหมายเยอะแยะเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านจะาที่บอกในที่นี้นะประสงเอาประสงค์เอาคํานี้นะเช่นผาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากกล่าวอะไรง่ายๆนะคว่าพยัญชนะพึ่งไม่ได้อัตถะพึ่งได้เพราะฉะนั้ น, น, น, น, ะะ น, นคําพูดที่ใครจะวิจารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องเอาตรงไหนมานะต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพูดรวมๆแบบคนไทยคบไม่ได้ ก็เหมือนกับผู้รวมๆแบบเนี้คนไทยครบไม่ได้เลยแต่ทีนี้ว่ามันต้องแยกคนไหนคนไทยมีหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยเอาคนไหนมาใช่ไหมใช่มหาโจนเนี่ยครบไม่ได้แน่นอนแต่ว่าคนดีๆไปทิ้งไปไหนอครับขอบคุณน ะ, ะสําหรับมิรินทปัญหานะครับอท่านเป็นการสนทนากันระหว่างพญามิรินหรือว่าพระเจ้ามิรินนะคร กับพนนาาระนาคเษนซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นคัมภี์ที่มีชื่อเสียงมากใช่ไหมครับเจนพานเป็นคัมภี์ที่มีชื่อเสียงมากทั้งผู้ถามและท่านผูต<อ>้ตอบนะเผู้ถามก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นพระราชานะเป็นพระราชาแล้วผู้ตอบก็เป็นเป็นพระอรหันต์มีปัญญาความรู้มากนะในบริลินทปัญหานี้นะครับถ้าหรับเรื่องนี้นะฮะได้ตั้งหัวข้อว่า เหตุที so we them, ่ทําให้ได้ความรู้แปประการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากเห็นภาษาบาลีเหมือนกันว่าความรู้แปประการเนี่ยนะความรู้หมายความเป็นไงเพราะปัญญาหรืออะไรก็ยังไม่ทราบนะครับถ้าเราไม่เอาบาลีมาประกอบเราก็ดูมันตื้นไปใช่ไหมความรู้แปประการความรู้ย่อมแน่นหน้าย่อมถึงความแก่กล้าเพราะเหตุ8ประการถ้าไม่ทับศัพท์เนี่ยรู้แบบไหนอ่ะใช่ไหมความรู้นี่ ปัญญากับความรู้ใช่ไหมครับเจนทานหนะรือว่าขั้นวิปัสสนาญาณก็ความรู้ก็รู้เอเพราะฉะนั้นการศึกษาทัศน์ไตรพิดกไม่ง่ายนักนะครับเจนทานไม่ง่ายนักความรู้ย่อมแน่นหนาย่อมถึงความแก่กล้าเพราะเหตุแต่ประการหนึ่งเพราะความแน่นหนาแห่งวัยหนึ่งในอักถาท่างกล่าวว่าวัยระหว่างสี่สิบถึงห้าสิบปีนะี่อันนี้เกณฑ์เฉลี่ยอายุร้อยปีนะ หากเกณฑ์เฉลี่ยอายุร้อยปีหมายว่าผู้ที่มีอายุสี่สิถึงห้าสิบปีเนี่ยหมายความว่าปัญญาทศกะปัญญาปัญญาดีสิปีแห่งปัญญาเพราะไงสิปีแห่งปัญญาหมายความว่าในระหว่างนี่มีทั้งประสบการณ์ด้วยมีทั้งผ่านชีวิตมาแล้วใช่ไหมครับเชิญตอนได้ศึกษามานานพอสมควรเชิญตอนเขาบอกว่าในคนคนเดียวคนนั้นน ะ, <ม> อ, ะอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะไม่ใช่ว่าโอ้โหปกตินี่เท่มที่สุดเลยนะพออายุขนาดนี้ใบที่สุดไม่ใช่ แต่ว่าในตัวคนเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่ารู้มีปัญญามีความความรู้หรือมีเดียงสาต่นะออายุประมาณเท่านี้แหละฉลาดที่สุดแล้วในในเกณฑ์ชีวิตนะอ่อข้อสองพ่อบอกว่าความหนานแน่นแห่งยศหนึ่งมีบริวารมากท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยเขย้าใจเหมือนกันท่านว่าก็ได้ความรู้จักบรรดาบริวารพักพวกทั้งหลายนั่นเป็นไปได้เลยครับตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเราอยากรู้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะให้ดูคนรอบข้าง นะสมมติว่าคนนี้เป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนใจดีนะสังเกตดูคนรอบข้างคนคนนี้เนี่ยมีศีลมีธรรมไหมก็ต้องดูคนรอบข้างด้วยเหมือนกันนะเพราะฉันใดก็ดีปัญญาก็เหมือนกันคนรอบข้างเนี่ยมีส่วนช่วยมากมายมหาศาลสมมติถ้าเราอยู่คนเดียวเลยนะเราจะฉลาดเท่านี้แต่ถ้าคนรอบๆอบข้างเราเป็นคนที่มีสติ ป, ปัญญามากนะาบางทีเนี่ยบางเรื่องเราไม่เรียนนะเนขาคุยกันเองเราก็เผลอได้ยินไป บางทีเราก็กลายไปอีกที่หนึ่งเรากลายเป็นผู้รู้เรื่องนี้ไปเลยฉั้นคนรอบข้างเนี่ยช่วยค่อนข้างมากของมาทำไมเป็นแนวเล็กๆอ่ะที่เกียรท่องหนังสือทําไงเพื่อนเขาท่องเราก็ไปนั่งฟังอยู่ด้วยที่เกียรอ่ะเราที่เกียรท่องอ่ะเพื่อนเขาท่องเขาได้เราก็ได้เหมือนกันอ่ข้อสามเพราะปริพุทธิ์ฉาคือการไตถามเนี่ยหมายความความรู้เนี่ยเกิดจากการ ไปถับพัฒ น, นาเ ข, ขาใช้คําว่าปริเนี่ยแปลว่ารอบนะป ร, ริรอบถามรอบเลยนะมันจะว่าถามแค่แค่คำถามลอยไปคําเดียวเฉยๆเนี่ยถามแบบตรึกตรองแบบเหตุผลอ่ะ น, นะแบบเขาใช้คําว่าปริเหมือนกับปริญญาใช่ไหมปริญญาก็คือรอบรู้ตรงนี้ก็ปริปูดฉาก็คือถามรอบอ่ะนึกว่าถามไปทั่วมันก็เถอะถามทุกแง่ทุกมุมอ่ะนึกว่าถามรอบข้างเลยใช่มไหมเจนพานเขาบอกว่าถ้าก็เหมือนกับ อาการวิจัยอะไรทักอย่างเลยใช่ไหมโอ้วัดบนวัดล่างวัดขวางวัดหน้าวัดหลังวัดหมดเตี้ยงเลยอืลักษณะนั้นเองก็อย่างดียังเอาตัวรอดมานั่นเนี่ยสี่เพราะการอยู่ในสํานักที่เป็นดุจกะท่าข้ามแม้ตรงนี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมผมประทับใจอ่านตรงนี้นี่นะเจต็นไปนะฟังให้ดีนะฮะท่านบอกว่าผู้ที่จะมีความรู้เนี่ยนะฮะ เพราะการอยู่ในสำนักที่เป็นดุจกะท่าข้ามหมายความไงครับก็คือหมายความว่าก็เหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนนะแล้วแต่เลือกโรงเรียนเหมือนกันถ้าไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยลูกเราขยันแันแข็งหน้าดูเลยไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมันในเรื่องเลยนั้นโรงเรียนนั้นสถาบันการเรียนนั้ น, น, นก็มีความสําคัญต่อต่อความรู้นั้นมากถ้าหากว่าไปเจอสถาบันที่ทุกคนเช้าชามเย็นชามกันหมดเลยแเราก็เป็นอย่างนั้นไปด้วยเนี่ ก็ท่าข้ามเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ว่าพระนิพพานเนี่ยมีท่าข้ามหลายท่าใช่ไหมครับเจนพานอ้หมายความว่าเออท่าข้ามอันนี้เนี่ยนะมาเนีมีโอกาสข้ามไปฝั่งโน้นได้ใช่ไหมครับเจนพรคือลักษณะตรงที่ว่าสถาบันนั้นนี่นนให้ความรู้ที่หลากหลายมากกว้างขวางลึกซึ้งะนะท่านถ้าเราได้ไปอยู่ในสํานักอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ลึกซึ้งมาก อย่างสมมุตินะประเด็นหัวข้อสี่ห้าห้าอย่างเนี่ยสมมติตัวเลขสิบข้อนะเออเราให้เราจํำคนเดียวเนี่ยเราจําได้ไหมครบสิบข้อทีนี้ทำไงอะอาศัยว่าเออเราจําได้สามข้อต้นเพื่อนก็พูดอีกสามข้อไอ้คอนโน้นพูดอีกสองข้ออีกคนพูดข้อเดียวครบพอดีเลยนะเราจะได้เรียนแบบเนี้ยแบบนี้เรื่อยๆฟังบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะจําได้ทั้งสิบข้อเหมือนกันนะทั้นในในกลุ่มเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะ ันสถาบันนั้นนีนน่มีความสําคัญมากในการเข้าใจพระธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดถ้าหากว่าเราไม่สามารถประมวลเรื่องได้นะในเรื่องนั้น น, นเนี่ยเราคาบไม่ได้นะแน่ช่นแสดงว่าสํานักนี้สําคัญเหมือนกันเจนผ่าใช่ไหมอีกข้อนะครับเพราะโยนิโสมนัสิการอีกข้อ น, นึงครับหมายนี้แสดงว่ามาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะโยนิโสมนัสิการนี่นะครับ อ่ อ, อีกข้อหนึ่งคงจะไม่ต้องอธิบายไหครับข้อ น, นี้คุนกันแล้วเนาะฟังกันบ่อยนะอีกข้อนะครับการที่จะมีความรู้นั้นเนี่ยเพราะการสนทนาเ้นทานอันนี้ก็ตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเซนทาคงไม่ใช่เป็นเดรัจฉานระถานะครับเซนต้องต้องคุยเรื่องเรื่องที่เลือกซึ้งอ่ะนะ อ่าเพราะใช้กล่าคำว่าความรู้ก็ต้องสนทนาในเรื่องของขันธาตุอายตนะเป็นต้นนั่นเองปริยมพระคาถาเจริญพรเป็นคําพูดที่พูดถึงความลึกซึ้งอ่ะนะเอาเรื่องลึกซึ้งมาพูดอ่ะปัญญาจึงจะเกิดลึกซึ้งไปด้วยเอาแต่เรื่องตื้นต้ น, ตนมาคุยอ่ะนะแล้วปัญญาเมื่ อ, อไรจะลึกนี่ฉะนั้นเรื่องที่สนทนานั้นถ้ามีความลึกซึ้งไปเรื่อยเรื่อรื่ยะนะเช่ะนะสนทนาเรื่องตัดใจอย่างเงี้ยจะมีความลึกซึ้งไปเรื่อยเรื่อยเร่อยรื่อยจะอ่าไม่มอง วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมุมเดียวะจะมองเพราะว่าธรรมชาติของสังขารทั้งหลายไม่มีอะไรที่เกิดจากปัจจัยเดียวแล้วไม่มีอะไรที่ว่าผลอันเดียวไม่ได้เกิดจากเหตุอันเดียวเหตุอันเดียวก็ไม่ได้ทําให้ผลเกิดอัผลเดียวนั่นแหละแต่ว่าผลหลายอย่างทําให้เกิดเหตุหลายอย่างนะแต่ว่าประโยชน์ของการพูดแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีอยู่นั่หละ ถ้าหากว่าเรามีการพิจารณาบ่อยๆนี่ก็ช่วยมาก อ, อีกข้อนหนึ่งนะครับคือเพราะคบหากัลยาณมิตรนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว จ, จะพูดกันบ่อยๆนะครับอีกข้อเพราะการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมมาตรงนี้ก็สําคัญนะครับนรคนต้องมีบุญนะสถานนะที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างสําคัญมากถ้าไม่มีบุญนี่ไม่มีโอกาสแล้วครับนะถ้าไปอยู่ในประเทศที่มันที่ไม่มีพระธรรมนี้นะครับ หรือว่าประเทศเดียวกันนี่หรือซ้ำไปนะก็ประเทศเดียวกันเนี่ยนะก็อยู่ผิดตำแหน่งก็ผิดแหล่งนี่ก็ไม่ได้แล้ว<ม>ก็ต้องแหล่งด้วยก็อีกใ น, นหนึ่งก็เหมือนเราอ่านหนังสือเนียสถานที่บางอย่างเราอ่านหนังสือไม่ได้เลยแต่บางแห่งนี่อ่านดีมากเลยี้ยไม่มีความแน่นอนครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับจะเห็นว่าแม้จะเป็นข้อความธรรมดาธรรมดาที่จริงแล้วนี่นะครับ คำว่าความรู้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัญญาเช่นสูงทอันนี้ต้อง เ, เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิเจนนท์เพราะว่าปัจจัยแต่ละอย่างในเช่นเหตุอันหนึ่งก็คือโยนิโมสมนสิการ น, นั้นโนโยนิโสเนี่ยจะต้องเป็นปัจจัยแห่งกุศลอย่างเดียวดังนั้นความรู้ในที่นี้ก็ต้องเป็นความรู้ที่เป็นไปกับกุศลถ้าเป็นความรู้เลยธรรมดาที่สุดเลยก็คือกรร ม, มตะกตาเห็ะนไหมโยนิโสเนี่ยผมให้ความสนใจมากเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่เล็งเห็นทาอันอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อริยมรตมีองค์8ปดยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เหมือนความถึงพร้อมด้วยการกระทําไว้ในใจโดยแยกขายเลยเจริาพรานการตั้งใจไว้โดยแยบขายก็คือผู้เด็กในหนึ่งนะย คนที่มีความเข้าใจบทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งบทธรรมนั้นไว้อย่างเช่นคนที่ที่ศึกษาสติปัฏฐานสูตรมาเป็นอย่างดีเลยตั้งไว้เลยจะพิจารณาตามสติปัฏฐานสูตรหมดเว е ลาเห็นอะไรก็นึกถึงแต่สติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้อย่างไรสติปัฏฐานกล่าวไว้อย่างไรนะตรึกตามแต่และอย่างในสภาวะธรรมหนึ่งอย่างก็เอาเอาสติปัฏฐานเนี่ยสงเคราะห์เลย ในโลกนี้มีอะไรไหมที่ไม่ไ ม, ไม่ใช่สติปัฏฐานอ า, อารมณ์อะไรบ้างที่ไม่ใช่อารมณ์ของสติปัฏฐานเลย อ, อะไรมันแทบไม่มีเลยนะเว้นบัญญัติบัญญัติไม่ใช่อารมณ์ของสติปัฏฐานแต่บัญญัติเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยที่ที่เป็นใกล้มากต่อให้การเกิดสติปัฏฐานเว้นโลกุตระจิตโลกุตระจิตก็เป็นอารมณ์ของ <c oughs> ของอปัจจเวคขณะญาณเช่นพันทั้นทั่วไปแล้วเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราสงเคราะห์เป็นเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคน้ำขันห้าเมื่อเกี่ยวข้องหมดนะในหนึ่งอย่างเนี่ยนะเกี่ยวเนื่องกับโรคน้ำขันห้าหมดเลยแล้วแต่การพิจะระารณาของเราถ้าเราสมเนียกในสติปัฏฐานสักสูตรหนึ่งเถอะทั้งสูตรเลยก็ได้หรืออาจจะยาวไปเอาบับพพะสหนึง่งถ้าจะเอาแบบสติปัฏฐานสูตรเองก็เป็นในสูตรจริงๆนะเป็นหัวข้อเฉยๆ ก็ต้องในสูตรนั้นถ้าจะที่บายให้ดีก็เอาพระไตรปิฎกมาที่บายยางเช่นนะยกขันธบัพย์อยู่เป็นตัวอย่างว่าอ่า น, นะอีกข้ออ่าข้ออื่นยังมีอีกพ่สูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนาพวกนี้หัวข้อทั้งนั้นเลยขยายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าเชียงใหม่อย่างเงี้ย มันก็เชียงใหม่เลยเชียงใหม่ขยายอีกหนึ่งนะมีกี่อมเภอหนึ่งอำเภอมีกี่ตำบลตำบลมีกี่หมู่บ้านหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนในหลังคาเรือนมีกี่คนในคนแต่ละคนนี่มีอายุเท่าไหร่ไล่ไปเถอะสติประธานจะลักษณะเดียวกันเพราะมนจะต้องคุยทุกคำเลยคำว่าสติคืออะไรคำว่าฐานคืออะไรแล้วคาว่าสติประธานเนี่ยสัมพันธ์กับถ้าเป็นพุทธพจน์เลยใช่ไหม กายเยกายานุปสัสสวิหระรตินะบอกว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายนะอย่างไรชื่อว่าพิจารณาเห็นกายอย่างไรเชื่อว่าในกายอย่างไรชื่อว่ า, า, า, วาเห็น <S <S เห็นเนี่ยเห็นแค่ไห น, นเห็นอย่างไรนะแล้วอยู่เนี่ยอยู่อยู่ยังไงนะละอภิอากมีความเพียนมีสัมปชัญญะมีสติแค่ไหนจึงจะชื่อว่ามีความเพียร แค่ไหนชื่อว่ามีสติแค่ไหนชื่อว่ามีสัมปชัญญะนะแค่ไหนจึงจะกําจัดอภิชากําจัดนี้กำจัดได้ด้วยอะไรอภิชาคืออะไรนะกำจัดอภิชาโทโมนัตในโลกโลกมีแค่ไหนเนี่ยแต่ละคํานั้นต้องกระจายให้มันเข้าใจหมดจึงจะเอาไปใช้ได้นะก็จนกว่าจะเลิกตามมองเห็นแว บ, บเนี่ยคําสอนเหล่านี้เนี่ยประมวลมาหมดเลยนะต้องประมวลคําสอนโดยโดยโด ย, โดยความเข้าใจนี่ต้องมีทั้งหมด มันไม่ใช่แค่ระ ล, ลึกว่าแวบๆนะโอมากล้าปฏิเสธเลยไม่ใช่แวบๆแน่นอนถ้าไอ้อะไรแวบๆเนี่ยโอ้อยังไม่รู้มันคืออะไรเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สงบเป็นการงานของผู้สงบแล้วก็การเจริญกุศลประเภทนั้นท่านใช้คําว่าต่อเนื่องก็เราลองฟังขยักขย่อนขยักขย่อนดูดิฟั ง, บ, งบ้างคุยบ้างฟังบ้างคุยบ้างรับรองวันนี้กลับไปก็ฉลาดเท่ากับ ไม่ว่าเขาพูดอะไรเหมือนกันเราก็คุยเรื่องของเราท่านาก็พูดเรื่องของท่านนะมันก็หมดชั่วโมงได้เหมือนกันนะนั่นแหละเจอคําบางคํานะถึงเราแปลได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะอ่าอย่างเช่นที่จริงหลับสับไร้สับปอนตามาก็แปลได้เยอะบางอย่างเนี่ยนะต่อเมื่อเราเข้าใจเรื่องอื่นๆมากขึ้นเราจึงจะเข้าใจศัพท์นั้นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นประโยคคานเนี่ยโอ้แปลได้มาจางสมัยไหนแล้วก็ไม่รู้ ประโยคะแปลว่าประกอบใช่ไหมหรือบางทีเขาขอแปลว่าเพี้ยนล้วก็แปลได้มานนนแต่กว่าจะเข้าใจอัฏฐะของประโยคะจริงๆเนี่ยนอนะนั้นคนที่จะเข้าใจเรื่องประโยคะดีคนนั้นต้องเข้าใจเรื่องกรรมกรรมมะปัจจัยเข้าใจเรื่องวิบากเข้าใจเรื่องวัตถุเข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องอารมณ์เข้าใจเรื่องชาวนะเข้าใจเรื่องชาวนะที่เกี่ยวข้องกับจิตแต่ชรุ้นะเข้าใจตั้งหลายเรื่องมาจึงจะเข้าใจอ๋อประโยคะมันเป็นอย่างไง เนี้ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะก็กรรมบางอย่างจะให้ผลไปประโยคสมบัติกว่าจะเข้าใจเครื่องนั้นค่อนข้างพอสมควรหน่อยแต่ว่าแปลกว่าคํานี้คําเดียวถ้าปีหน้ามานะถ้าถ้าใครของมาเชื่อว่าต้องเปลี่ยนความเข้าใจต้องมากกว่านี้แต่ถ้าเราเขาบอกโอ้โหเมื่อปีที่แล้วก็เข้าใจอยู่แค่เนี้ยปีหน้าก็เข้าใจอยู่แค่นี้แสดงว่าเราไม่เจริญงอกงานไม่ทำมันต้องเข้าใจเพิ่มนี่ใช่ไหม ก็บอกว่าพระหรือหรือผู้ที่เจริญคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นน่ะต้องเอากุศลเป็นหลักว่ากุศลต้องเจริญขึ้นนะถ้าบอกว่าอยู่ที่ใดแล้วกุศลลจิตนะนะเขาเรียกว่ากุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปก็บอกรูกก้กลางวันให้ไปกลางวันรู้กลางคืนให้ไปกลางคืนนะรีบหนีไปเลยแสดงว่าวิบัติแล้วตรงนั้นในในสูตรเนี่ยว่าอย่างนั้นเลยนะลักษณะถ้ารู้แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงประเทศใดที่ เกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญบุคคลใดเกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญหรือว่าพอพอเราศึกษาพระธรรมอย่างนี้เราจะรู้แล้วอะไรคือกุศลใช่ไหมการตรึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆเป็นกุศลถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วเอ๊ะคิดเรื่องนี้น้อยไปหน่อยนะหรือบันทอนในการคิดเรื่องนี้เขาเรียกว่าคนนั้นเป็นอาสปายะไม่ใช่บุคคลสปายะคือธรรมะที่ถูกต้องนะฟังแล้วต้อ ง, ต, องต้องเบากับไรนะครับกลับบ้านนี่ต้องเบาะนะครับนะ นังน่งๆมาจากบ้านมาฟังแล้วนั่งเบากลับไ ป, ใ, ปในสำนวน พ, พัไตจพิรุท่านบอกว่าฟังแล้วกุศลจิตเกิดทำให้อาหารร่าเริงเห็นแจ้งไมาใทานเห็นแจ้งอาหานร่าเริงนี่นะครับ